เราจะกลับพร้อมกันรถกู้ชีพการจนาบุรีสมัมผัสสยองย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณหนีอายุ17ปียังทำงานเป็นกู้ชีพอยู่ในจังหวัดการจนาบุรี วันนั้นประมาณบ่ายโมงกว่ า, ก, วาก็ได้รับแจ้งจากทางวิทยุของศูนย์กู้ชีพใหญ่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นห่างจากพื้นที่ที่คุณเอ๋อยู่ประมาณ 40-50 กิโลเมตรซึ่งค่อนข้างไกลพอสมควรคุณเอ๋กับเพื่อนกู้ชีพอีกหนึ่งคนออกเดินทางมุ่งหน้าสุดจุดเกิดเหตุใช้เวลาประมาณ30นาทีก็มาถึงที่เกิดเหตุพอมาถึงจุดเกิดเหตุ ก็เห็นคนมุงล้อมอยู่เห็นซากของรถกระจุยกระจายเต็มพื้นถนนเบื้องต้นที่ตรวจสอบเป็นรถกระบะแคปหนึ่งคันสภาพขาดออกไปสองท่อนอีกคันเป็นรถสิบล้อหน้ายาวซึ่งจอดอยู่ห่างออกไปพอสมควรคาดว่าน่าจะมาด้วยความเร็วสูงแล้วชนกับรถกระบพระพอคุณเอยเข้าไปดูที่ซากรถก็พบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงหนึ่งราย สภาพศพนั้นกระดูกทั้งตัวหักแทบหมดแขนขาบิดเบี้ยวถูกอัดก๊อบปี้อยู่ในรถและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสองรายแต่ทางพลเมืองดีได้นำส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่อยู่บริเวณนั้นว่าก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากสมาคมอื่นซึ่งอยู่ข้ามเขตกัน ได้นำศพผู้เสียชีวิตที่กระเด็นออกมานอกรถไปก่อนหน้านี้แล้วสภาพศพนั้นก็ไม่ต่างกันแต่ไปคนละโรงพยาบาลกับเขตพื้นที่ของคุณเอคุณเอจึงตัดสินใจโทรไปยังศูนย์กลางว่าเจ้ายังไงดีระหว่างรอคำยืนยันจากศูนย์กลางคุณเอจึงนำศพของผู้หญิงคนนี้ไปไว้ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในเขตพื้นที่ของตัวเองก่อน พอคุณเอ๋มาถึงโรงพยาบาลก็เพิ่งมาทราบที่หลังว่าผู้บาดเจ็บสองรายที่พ ล, ลเมืองดีนํามาส่งก่อนหน้านี้ก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ด้วยเป็นสองสามีภรรยาภรรยานั้นท้องแก่แปดเดือนแล้วทั้งคู่นอนอยู่บนเตียงคุณเอ๋จึงเดินเข้าไปคุยเพื่อสอบถามข้อมูลว่าใช่คนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนไหมเขาก็ตอบว่าใช่ คุณเอถามต่อว่ามากันกี่คนเขาก็ตอบว่ามากันห้าคนมีตัวเขาแฟนพ่อแม่และน้องสาวพอถามข้อมูลเสร็จคุณเอก็ไม่ได้บอกว่าพ่อแม่และน้องสาวเขาเสียชีวิตแล้วแต่คุณเอสังเกตเห็นว่ามันดูแปลกๆเพราะว่าสภาพรถในที่เกิดเหตุมันขาดสองท่อน และสองสามีภรรยานี้ก็นั่งอยู่กระบะหลังแล้วกระเด็นตกลงมาจากรถแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยมีแค่รอยฟกช้ำดำเขียวเฮียงแค่นิดหน่อยแล้วคุณเอ๋ ก, ก็เดินกลับมาที่โซนดำโซนดำคือจุดที่พักศพของโรงพยาบาลลักษณะจะเป็นห้องแคบๆใหญ่กว่าห้องน้ำนิดหนึ่งมันเป็นจุดแต่งศพ หรือจุดพิมพ์ลายนิ้วมือศพชั่วคราวพอหมอชนะสูตรศพและลงเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วคุณเอ๋ก็ได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็จะนำศพผู้เสียชีวิตส่งกลับบ้านที่สมุทรสาครเพราะว่าสามารถติดต่อกับญาติของผู้เสียชีวิตได้แล้วแต่ว่าตอนที่คุณเอ๋เดินเข้าไปในโซนดานั้นก็ได้เข้าไปมองดูศพของคุณป้า และได้พูดออกมาแบบไม่ตั้งใจว่าสภาพเยินเลยนะป้าเขาพูดเสียงดังลั่นห้องพอสิ้นคำพูดนั้นอยู่ๆก็มีลมเย็ยนพัดเข้ามาในห้องพัดจนกระดาษที่ซับน้ำเลือดน้ำหนองปลิวทั่วห้องและก็ได้กลิ่นคาวเลือดฟุ้งอยู่เต็มห้องกลิ่นนั้นมันแรงมากแรงจนคุณเอรู้สึกคลื่นไส คุณเอถึงกับต้องรีบวิ่งออกมาอาเจียนที่นอกห้องจนกระทั่งรถกู้ชีพขับถอยเข้ามาเพื่อจะรับศพคุณเอ๋ก็ไปนำเตียงเพื่อจะมาขนย้ายผู้เสียชีวิตตอนนั้นศพถูกห่อด้วยผ้าสีขาวภายในผ้าสีขาวนั้นก็จะมีกระดาษเอาไว้ซับเลือดผู้เสียชีวิตคุณเอ๋และเพื่อนอีกคนก็ยืนอยู่หัวคนท้ายคน เตรียมที่จะยกศพขึ้นรถฮอนับหนึ่งสองยกแต่ปรากฏว่ายกไม่ขึ้นเตียงมันติดขึ้นมากับศพด้วยคุณเอกกับเพื่อนก็มองหน้ากันแล้วบอกว่าเอาไหมดึงแรงๆเลยนะเพื่อนก็บอกว่ากูออกแรงเต็มที่แล้วเนี่ยสงสัยตัวป้าแกจะหนักทั้งคู่เลยลองยกศพป้ากันอีกครั้ง จะยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้นดึงจนเตียงจะลมมันเหมือนกับว่ามีใครเอากาวตราช้างมาทาตัวป้าไว้ติดกับเตียงแล้วอยู่ๆกลิ่นคาวเลือดก็ฟุ้งเหม็นขึ้นมาอีกกลิ่นนั้นมันเหม็นจนคุณเอ๋กับเพื่อนต้องออกมาข้างนอกห้องทั้งคู่มองหน้ากันด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น เป็นเวลาประมาณสี่โมงถึงห้าโมงเย็ยนแล้วก็เริ่มที่จะมืดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่คุณเนจึงออกมานั่งทบทวนดัวยเองว่าพูดอะไรไม่ดีออกไปหรือเปล่าและเล่าสิ่งที่พูดตอนเดินเข้าไปดูศพป้าให้เพื่อนฟังเพื่อนจึงบอกว่ามึงน่ะปากหมามึงได้ไปขอคามาป้าเขาเลยนะแต่มึงเข้าไปคนเดียวกูจะรอข้างนอก คุณเอจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องคนเดียวและเปิดประตูสไลด์ค้างไว้แต่พอคุณเอก้าวเดินเข้าไปในห้องอยู่ๆประตูมันก็เลื่อนปิดเองคุณเอถึงกับสะดุ้งเฮือกตอนนั้นขนนีิลุกไปหมดทั้งตัวแต่ก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเพื่อนมันคงแกล้งคุณเอไปยืนอยู่ปลายเท้าของศพป้า แล้วพูดว่าป้าผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจลบหลู่หรือดูหมิน่นป้าอย่าถือสาผมเลยนะผมจะได้รีบพาป้ากลับบ้านเดี๋ยวผมต้องไปรับน้องแล้วก็ลุงอีกแต่ว่าป้าไม่ได้ไปกับผมนะป้าจะไปกับพี่ผมส่วนผมจะไปรับน้องกับลุงตามไปทีหลังนะป้าป้าให้ความร่วมมือกับผมหน่อยนะพอพูดจบ คนเหนือก็เดินออกไปเรียกเพื่อนมาช่วยยกอีกทีก่อนยกก็ไหว้ขอขามาอีกครั้งและพูดบอกกับป้าว่าป้ากลับบ้านกันแล้วก็ปรากฏว่าครั้งนี้ศพนั้นยกขึ้นอย่างง่ายดายแถมไม่มีกลิ่นคาวเลือดเหมือนในตอนแรกแล้วพวกเขาก็พากันเข็นศพออกทางหลังโรงพยาบาลไปใส่รถกู้ชีพแต่แล้ว พวกเขากลับต้องเจอเหตุการณ์ประหลาดอีกครั้งอยู่ดีๆท้องฟ้าที่โปร่งใสก็มืดครึมและมีฝนตกลงมาแบบไม่มีปีมีคุยพ่อคุณหนีและเพื่อนยกศพป้าขึ้นรถปิดฟ้าท้ายเรียบร้อยก็บอกให้พี่กู้ชีพขับรถออกไปก่อนแต่พอจะสตาร์ทรถก็ปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดลองอยู่หลายครั้งยังไงก็สตาร์ทไม่ติด เจ้าของรถกู้ชีพคันนั้นก็บอกกับคุณเอ๋ว่าสงสัยจะต้องเอารถเราไปส่งแล้วนะรถพี่สตาร์ทไม่ติดคุณเอ๋จึงบอกไปว่าไปรถผมไม่ได้หรอกพี่ผมจะต้องไปรับสอบอีกสองคนถ้างั้นไปรถเราก่อนรับพอรถอีกคันหนึ่งของพี่มาค่อยเปลี่ยนทายกันกลางทางคุณเอ๋จึงตกลงตามนั้นพอย้ายศพป้ามารถของคุณเอ๋เสร็จ และคุณเอ๋สตาร์ตรถของตัวเองเชื่อไหมว่ารถของคุณเอ๋ก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันพี่คนเลยลองไปสตาร์ตรถของตัวเองดูอีกครั้งปรากฏว่ารถของเขาดันสตาร์ทติดซะอย่างนั้นทั้งทั้งที่ตอนแรกทำอย่างไรก็ไม่ติดคุณเอ๋ก็เลยบอกกับพี่เขาว่ารถพี่สตาร์ทติดแล้วเดี๋ยวพี่เอาศบป้าไปนะ พี่เขาก็ติดเครื่องรถรอไว้แต่จงังหวะที่จะเอาศพป้าขึ้นรถและกำลังจะออกตัวใส่เกียร์เหยียบคันเร่งรถกลับไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยตอนนั้นทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติแล้วป้าเขาคงไม่ยอมไปแน่ๆสักพักพี่เขาก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นอะไรของมันวะรถกูก็ดีนะรถใหม่ไม่ใช่รถเก่าด้วย หรือว่าป้าแกไม่อยากไปวะพี่มึงจะบ้าเหรอคนตายแล้วจะไปเอาอะไรมาเขาสิ้นคำพูดเท่านั้นแหละทั้งฝนทั้งพายุก็กระนำลงมาแบบไม่มีเหตุผลจนทุกคนต้องทิ้งรถแล้ววิ่งเข้าไปหลบในโรงพยาบาลคุณเอกก็เลยคิดว่าป้าแกอาจจะอยากไปรับลุงกับน้องด้วยก็ได้เลยตัดสินใจยกมือไหว้ แล้วพูดกับป้าว่าป้าถ้าป้าจะไปกับพวกผมนะก็ได้ครับแต่ว่ามันมีเวลาน้อยแล้วเราไปในเขตพื้นที่ของเขาหนทางมันค่อนข้างไกลและอันตรายป้าจะไปด้วยก็ได้แต่ป้าอย่าทำแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับเราทั้งคู่เลยถ้าป้าจะไปเดี๋ยวผมจะพาไปแต่รถผมต้องใช้งานได้ปกตินะป้าไม่งั้นป้าก็ไม่ได้ไป และผมก็จะทิ้งป้าไว้ที่นี่แหละเพราะพูดจบฟ้าฝนที่กระหน่ำลงมาก่อนหน้านี้ก็หยุดในทันทีแล้วคุณเอกก็ลองไปสตาร์ทรถของตัวเองดูอีกครั้งปรากฏว่าสตาร์ทติดแล้วก็ขับได้ปกติส่วนรถของพี่อีกคันก็ขับได้ปกติเหมือนกันทั้งหมดก็เลยตกลงกันว่าจะขับขึ้นไปพร้อมกันทั้งสองคัน ระหว่างทางก็วิ่งไปเรื่อยๆสถานที่ปลายทางที่จะไปรับศพของลุงกับน้องก็คือท้องผาภูมิเขตของสมาคมกู้ภัยเขตหนึ่งกว่าจะมาถึงได้ก็ปาเข้าไปประมาณสามทุ่มแล้วไปถึงคุณเนศก็เข้าไปติดต่อโรงพยาบาลว่ามีศพผู้เสียชีวิตชื่อแบบนี้ไหมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็บอกว่ามีแต่เจ้าของเรื่องที่เป็นร้อยเวร เขากลับบ้านไปแล้วการที่จะนำศพออกไปได้จะต้องมีลายเซ็นของร้อยเวนเจ้าของคดีเท่านั้นถ้าไม่มีลายเซ็นของร้อยเวนคงจะให้นำศพของผู้เสียชีวิตไปไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายพวกคุณเอกก็นั่งเครียดกันอยู่พักหนึ่งเลยขออนุญาตเข้าไปดูศพก่อนว่าใช่หรือเปล่าศพนั้นเป็นคุณลุงอายุ ป, ประมาณ45ปี และเด็กสาวอายุประมาณ 14-15 ถึงปีสภาพศพยังไม่ได้มีการตกแต่งใดๆพอดูเสร็จแล้วก็พากันลงไปนั่งที่ล็อบบี้และคิดกันว่าเจ้ายังไงกันต่อดีแล้วคุณเอ๋ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าลุงกับป้าเขาอยากกลับบ้านเดี๋ยวพวกเขาก็ช่วยเราเองแหละพอสิ้นสุดคำพูดเท่านั้นอยู่ๆก็มีร้อยเวรเจ้าของคดีใส่ชุดลำลอง ขับรถมาที่โรงพยาบาลร้อยเวณเล่าให้ฟังว่ามีป้าคนหนึ่งไปตะโกนเรียกที่หน้าบ้านบอกว่ามีญาติมารับศพที่โรงพยาบาลให้ไปเซ็นนำศพออกให้หน่อยเขาเอาศพออกไปไม่ได้ร้อยเวนก็ถามกลับไปว่าแล้วตอนนี้ญาติเขาอยู่ไหนป้าคนนั้นก็บอกว่าตอนนี้รออยู่ที่โรงพยาบาลรีบไปหน่อยเขาจะรีบนำศพกลับบ้านกัน มันไกลร้รอยเวนก็บอกว่างั้นป้ารอผมแป๊บหนึ่งก็แล้วกันจากนั้นก็ถามว่าป้ามายังไงแต่ป้ากลับไม่ตอบพอร้อยเวนเข้าไปแต่งตัวได้สักพักหนึ่งก็ออกมาปรากฏว่าป้าคนนั้นได้หายไปแล้วซึ่งตอนนั้นก็ดึกละมืดมากแล้วด้วยและป้าก็ยืนพูดอยู่นอกบ้านส่วนตำรวจนั้นอยู่บนชั้นสองของตัวบ้าน เลยเห็นป้าหลางๆก็คิดว่าป้าคงจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปก่อนแล้วร้อยเวรเลยรีบตามมาที่โรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็บอกกับร้อยเวรว่าสวัสดีครับคุณตำรวจพอดีกู้ภัยเขาจะมารับศพคุณตำรวจก็พูดสวนกลับไปในทันทีว่าอ๋อผมรู้แล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็งงถามร้อยเวรว่า รู้ได้ยังไงร้รอยเวนจึงบอกว่าอา้าวก็มีป้าคนหนึ่งไปตามผมที่บ้านป้าที่ไหนยังไม่มีใครไปตามร้อยเวนเลยคุณเอ๋เลยถามไปว่าลักษณะป้าคนนั้นเป็นยังไงร้รอยเวนก็เล่าให้ฟังว่าสูงเท่านี้ใส่ชุดแบบนี้อายุราวๆนี้พอคุณเอ๋ได้ฟังดังนั้นก็หันหน้าไปมองเพื่อนแล้วพูดว่า กูว่าใช่แล้วล่ะแล้วก็จูงมือร้อยเวนไปดูศพป้าที่ท้ายรถคนนี้ใช่ไหมครับเมื่อร้อยเวนเห็นศพป้าก็ถึงกับหน้าถอดสีซีดหดจนเหลือสองนิ้วเลยทีเดียวแต่ร้อยเวนก็บอกว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่คุณเน๋เลยแก่ผ้าห่อศพให้ร้อยเวนดูพอได้เห็นร้อยเวนถึงกับเหงื่อแตกหยดไหลมาเป็นทาง ได้แต่ยืนอึง้งเมื่อสติกลับคืนมาเขาก็ถามหาเอกสารรีบรีบเซ็นแล้วจะได้รีบรีบกลับเขาจะได้กลับบ้านไปนอนหลังจากที่เซ็นเอกาสารเสร็จแล้วก็นำศพขึ้นรถปกติแล้วเขาถือว่าห้ามนำศพคู่ขึ้นรถแต่ด้วยความที่รถมันมีสองคันและมีศพอยู่สามศพยังไงก็ต้องมีคันหนึ่ง นำศพไปสองศพคุณเอเลยเลือกให้ลุงกับป้าอยู่ด้วยกันและนําไปขึ้นรถพี่คันแล้วก็นําน้องสาวขึ้นรถคุณเอจากนั้นก็ขับรถมุ่งหน้ากลับสู่บ้านเกิดของป้าเวลาตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณตีสามตีสี่แล้วคุณเอ๋รู้สึกว่าหลงทางแล้วสองข้างทางก็มีแต่ต้นมะพร้าวสูงอยู่เต็มไปหมด หาทางไปวัดไม่เจอเพราะขับไปเดสักพักแสงไฟของรถก็ส่องไปเห็นคนเดินอยู่ข้างทางคนคนนั้นเขาทำมือชี้เหมือนจะบอกให้ไปทางนั้นทางนี้คุณเอ๋ก็ขับไปตามทางที่เขาบอกจนมาถึงวัดได้ก็เห็นญาติญาตินั่งตั้งวงกินเหล้ารออยู่สามสี่คนทางญาติก็จัดแจงให้คุณเอ๋นำศพไปวางไว้ที่ที่เตรียมไว้ พอวางศพเสร็จแล้วพวกคุณเห๋ก็จะขอตัวลากลับก่อนแต่ญาติของผู้ตายก็บอกว่าอย่าพึ่งกลับคุณเห๋จึงบอกว่าผมนํามาส่งเสร็จแล้วผมจะกลับแล้วยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยญาติของผู้ตายเลยบอกว่าเอานะ่าเดี๋ยวหาข้าวหาปลาให้กินแต่ช่วยอะไรอย่างหนึ่งก่อนนะช่วยแต่งศพให้หน่อยคุณเอ๋ จึงอุทานขึ้นด้วยความอ่อนแรงว่าโอ๊ยพี่จะให้ผมแต่งศพเนี่ยนะผมมีหน้าที่เก็บศพพี่ไม่ได้มีหน้าที่แต่งศพแต่ญาติของผู้ตายก็พยายามอ้อนวอนให้คุณเอ๋แต่งศพให้ได้นะาช่วยหน่อยนะพ่อหนุ่มที่นี่ไม่มีใครทำเป็นเลยคุณเอเลยต้องจาใจยอมช่วยญาติเขาแต่งศพเพื่อนของคุณเอ๋ ก, กับพี่ ก็นั่งกินเหล้ากับญาติญาติของผู้ตายอยู่ข้างนอกปล่อยให้คุณเอ๋ทำอยู่คนเดียวทางญาติก็ตักน้ำใส่กระแปง๋งเตรียมลิปสติกเตรียมชุดและอุปกรณ์ต่างๆมาให้ด้วยความที่ไม่เคยทำเลยเริ่มตั้งแต่อาบน้ำศพอาบน้ำเสร็จก็ใช้ผ้ากอสพันแผลที่มันฉีกขาดทําตามมีตามเกิดพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดให้ศพเปลี่ยนให้ของลุงเสร็จ เปลี่ยนของน้องเสร็จแต่พอมาถึงของป้าปรากฏว่าชุดที่เตรียมมาให้มันเป็นชุดไทยเป็นกระโปรงและเสื้อผ้าไหมที่ตัดเข้ารูปคนพดีคุณเหนพยายามใส่กระโปรงก่อนแต่ใส่ไม่ได้เพราะตัวป้าแกใหญ่เกินไปใส่เสื้อเสื้อก็เล็กเกินไปก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนั่งปาดเหงื่ออยู่คนเดียว เพื่อนก็นั่งกินเหล้ากันไม่มาช่วยสักพักคุณเหนก็ไปหยิบทูปมาจุดแล้วพูดกับป้าว่าป้าผมพาป้ามาส่งที่บ้านแล้วนะแล้วตอนนี้ผมก็กำลังแต่งศพให้ป้าอยู่ตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยป้าช่วยให้ความร่วมมือกับผมหน่อยนะป้าผมหิวข้าวแล้วคุณเหนศก็ลองใส่เสื้อผ้าให้ป้าใหม่ คราวนี้มันกลับใส่ง่ายขึ้นมาทันทีเพราทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วคุณเหนศกับพวกก็ออกไปบอกญาติญาตและขอตัวลา ก, กลับกันก่อนกลับคุณเหนก็พูดกับป้าคำคำว่าป้าถ้าใจดีคืนนี้ก็ไปให้สามตัวตรงนะผมจะได้ถูกหวยไปซื้อรถกู้ภัยคันใหม่กับเขาบ้างจนกลับมาถึงบ้าน คุณเนก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นไปนอนตามปกติขณะที่คุณเหนนอนอยู่ในมุงและกำลังกึงหลับกึงตื่นอยู่นั้นอยู่ๆสายตาก็เลือบไปเห็นคนเดินมาที่ปลายมุงแล้วเปิดมุงขึ้นจึงเห็นว่าเป็นน้องคนที่เสียชีวิตคนนั้นคุณเหนตกใจมากและถามน้องเขาว่ามาได้ยังไงน้องก็พูดได้สีหน้าที่ยิ้มแย้มว่า ที่เรียกให้หนูมาไม่ใช่หรอด้วยความกลัวคุณเอกก็หลับตาปีแล้วพูดไปว่าจะทำบุญไปให้ตอนเช้าจะตักบาตรไปให้พอลืมตาขึ้นมาอีกทีน้องเขาก็หายไปแล้วพอตื่นเช้ามาคุณเอกก็รีบไปทำบุญตักบาตรให้น้องเขาแล้วก็เดินทางไปที่ศูนย์กู้ภยัยพอขึ้นไปดูที่กระบาหลังรถ ก็ไปเจอเศษเสื้อของน้องเขาหนึ่งชิ้นตกอยู่คุณเอ๋มาทราบทีหลังว่าสามคนนี้ลุงเป็นพ่อเลี้ยงส่วนน้องคนนั้นก็คือลูกของป้าวันนั้นน้องคนนี้ซึ่งเป็นน้องสาวคนเล็กเรียนอยู่กรุงเทพเพอกลับมาบ้านเขาก็อยากจะมาเที่ยวน้ำตกที่กาญจนบุรีก็เลยชวนพ่อแม่พี่สาวและพี่เขยมาเที่ยว แม่เขาก็บอกว่าแม่ติดธุระไปเที่ยวด้วยไม่ได้หรอกน้องสาวจึงบอกว่าเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วนะพาหนูไปเที่ยวหน่อยไม่ได้หรอเราจะไม่ได้มาเที่ยวกันอีกแล้วนะเพราะญาติได้ยินดังนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตบปากฉีกเลยพูดเป็นลางแล้วแม่น้องก็ยอมมาเที่ยวด้วยจนถึงวันที่เกิดอุบัติเหตุลุงป้าและน้องสาวทั้งสามคน นั่งอยู่ด้านหน้ารถส่วนพี่สาวและพี่เขยนั่งอยู่หลังกระบะแต่ความตายก็เอาไปแค่สามคนหน้าเท่านั้นนี่คือเหตุการณ์ที่คุณเหนจดจาฝังใจจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายแล้วหวยก็ไปออกที่ทะเบียนรถคันที่รับศพน้องเขาไปแต่คุณเหนดันไปซื้ออายุน้องเขา สมภัสสยอง